พระารอาจารย์ครับกลาวอำมาตการับโรงพยาบาคุณหมอและท่านผู้ชมทุกท่านได้ยินเสียงฝนตกหนักเลยนะครับพระอาจารย์ครับก็ปานกลางครับต๋องามาสัิบสิบ้านาทีที่ผันมาอ๋อับพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์มีถาอบาทคนเยอะแน่นอนเลยครับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบพันหนึ่งโ อ, โ อ, โอ เทมาค่าบูชาไม่ได้ค่าหนึ่งพันสรอยห้าสิบครับไม่เบรกนิวไฮนะครับพระอาจารย์อาจจะเป็นเพราะฝนตกเราฝนตกหลายที่ด้วยกันคนเลยไม่สะดวกที่จะมาครับแต่ก็ยังพันหนึ่งรอยกว่าคนครับผมแล้วพระอาจารย์ใช้เวลานานนะครับก่อนจะบิดาบาทเสร็จครับประมาณสองชั่วโมง2ี่สิบนาทีโอ้โหวัที่เดินนี่เหนื่อยเลยนะพระอาจารย์ น้ิ่มได้ที่ 54.5 ไปเสร็จประมาณ2โมงกว่า2โมง50ทีช่ครับผมแล้วตอนบ่ายแหะครับพระอาจารย์คนไปทำอะไรเยมะไหครับ420คนที่หน้าเตียงาทั้งหมด420คน425คนถ้าลงกันทั้งหมดก็ 1,002 คนทา้งบ้านด้วยโอ้ วันนี้ผม ก, ก็ฟังอยู่ครับพระอาจารย์แต่ไม่ได้เปิดหน้าจอแต่ฟังเสียงพระอาจารย์พระอาจารย์ครับบัดีเมื่อวานได้ได้ฟังพระอาจารย์เรื่องสิ่งที่หายากในโลกครับก็เลยจะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เล่าให้เพื่อนๆในห้องนี้ฟังด้วยครับรพาาระอาจารย์ครับจากพระธรรมญาติพระอาจารย์สิ่งที่หายากในโลกมีอยู่สี่ประการด้วยกันและเป็นสิ่งที่จําเป็น ต่อการปลดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะปลดพ้นจากกองการเวียนว่ายตายเกิดมัรู้มากผนไม่ตายเราจำต้องมีสิ่งที่หายากสี่ประการนี้สิ่งที่หายากประการแรกที่เราในการรู้สึกที่ว่ายากที่สุด ก, ก็คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละคน อารที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้มาตัดเซลุคะอริยสัจสี่ใจรักแล้วก็มาสอนมักแต่ให้กับผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุก ข, ข, ข, ข, ข, ข, ข์การ เ, เป็นวายตาเิป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน้ยากมากแต่มีมีปรากฏอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้อยู่เรื่อยๆแต่นานๆจะมาปรากฏ นับองค์ใช้เวลาหลายกลับหลายการด้วยกันเคยได้ยินวิธีนับกับนี่ท่านจะให้นับว่าทุกร้อยปีมีคนคนหนึ่งจะเอาผ้าไปลูบภูเขาหิมาลายหนึ่งครั้งแล้วจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยจกับภูเขาหิมาลายจะยุบสลายหายไปก็จะได้วันานหนึ่งกับย <c> เ <oughs> ดน นั่นไม่ใช่หนึ่งกับเท่านั้นที่วเวลาที่ระหว่างพระพุทธเจ้าสององค์ระหว่างองค์ก่อนกับองค์ใหม่นี้มันจะยาวนานนู่นกันหลายกับไม่ใช่เพียงกับเดียวอันนี้ก็ดจาความยากของการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เมื่อพวกเราออไม่รู้จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์จริงก็วกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถ้าเรา หลังจากถ้าศาสนาของพระเจ้า อ, องค์นี้สิ้นสุดลงพรามารย์ทายก็พยายามตอนก็ 5,000 ปีตอนนี้เราก็ผ่านมาประมาณครึ่ง2 5 0 0ปีและการมาเกิดเป็นมนุษย์แค่เป็นของที่หายที่ยา ก, กประการที่สองในตำในตำตราท่านบอกว่าเหมือนกับมีเต่าที่อยู่ใต้ ใต้ทะเลทุกร้อยปีจะผกขึ้นมาขึ้นมาเหนือ น, น้ำท่าทางหนึ่งแ้วเวลาผกขึ้นมาก็มันจอห่วงกลมๆที่สามารถสวมเข้ากับคอได้ทันทีนโอกาสที่เต่าจะมาเจอกอับห่วทุกร้อยปีจะผกขึ้นมาท่าทางนี้มันยากขนาดไหนการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแบบนั้นเพราะว่าเวลาเราตายเป็นโยมยานของเรานี้จะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ จะต้องไปรับผลบุญผลบาปไปซึ่งก็ไม่ทราบว่าเราทําบาปทาบุญมากน้อยเท่ไงร่กันถ้าหลังจากที่รับผลบาปเสร็จแล้วเรื่อบุญเสร็จแล้วเราก็าจจะต้องมารอคิวเพราะว่าร่างกายของมนุษย์นี้มีไม่มากแต่ดวงวิญญาณที่จะมารอเกิดนี่มันมีมากเหมือกับเหมืกับเวลาสบอบ e n ช r a n เนี่ยมีคนสลับสอบเยอะแต่ที่ที่เขาจะรับได้ไม่มาก ใกล้อย่างนั้นก็ก็ต้งองรอคิวไปเรื่องรอจังหวะไปอันนี้ไม่ทราบกระบวนการว่าเขาเขาคัา้นเรื่องยังไงให้ให้ให้ดง ว, ยยดวดงวยยิญญาณจะดวงวิญญาณได้มาเกิดอาจจะเข้าคิวกันใครมาก่อนมาหลังนีนีนน้ไม่รู้หรืออาจจะขึ้นกับบุญบารมีแต่ก็ไม่น่าจะเป็นบุญบารมีเพราะว่าคนที่เป็นบาปก็ามาเกิดเช่นใคเยอะคนที่ไม่มีบุญบารมีมาเกิดก็เยอะ มันอาจจะเป็นคิวก่บใครมารอก่อนรอคิวก่อนก็เข้าแถวไปแล้วยุคนี้สมัยนี้มนุษย์รู้จักวิธีคุมกำเนิดด้วยเมื่อก่อนนี้ครอบครัวจะมีครอลูรประมาณสิบคนแปดคนสิบคนอันนี้มีคนสองคนทีไม่มีเลยแต่วถ้าอางนี้ประเทศเราประเทศนี้เขาประกาศจ้างให้เก็ผลิตลูกกันเพระพยาะประชากรจะลดน้ อ, น อ, ย, นอยลงไปเรื่อย แต่ทําให้ดวงวิญญาณที่รอเข้าคิวจะมาเกิดแล้ว น, นี้ก็ต้องรอไปก่อนเกิดไเลได้ถึงว่าจะไม่ได้อยู่ในสวรรค์ถึ่ว่าจะไม่ได้อยู่ในบายแต่ก็อยู่ระหว่างกลางรอคิวจะมาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นการการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากมากล้วสมมุติว่าถ้าได้มาเจอของสองอย่างนี้ถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอกับ การอุบัติเพือพระพุทธเจ้าหรือแมจะไม่ได้พบกับตัวพระพุทธเจ้าเองก็ตามแต่ถ้าได้พบกับตัวแทนคือพระพุทธคือพระธรรมหรือพระอริยสงสารก็ถือว่าเรายังมีโอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราได้ลุดพ้นจากการเวนว่ายตาเกิดได้แต่เราต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาน้าคราวหน้าเรากลับมาเกิด อีกครังง้งหนึ่งถ้ามันเกิดห้าพัน 5, ปีไปแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ต้องรออีกหลายกลับด้วยกันกว่าจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าองใหม่เนื้อพระพุทธศาสนาอันใหม่นะการที่เราได้มาเกิดตอนนี้เป็นมนุษย์แล้วการได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเนี่ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญเป็นโชควาสนาเรา เพราเราจะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัตินะทีนี้ถ้าเกิดนะถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเช่นไม่ถ้าเราเกิดเมื่อถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้มีพระพุทธศาสนาแต่เรามาเกิดเป็นแมวบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นนกบ้างถึงแม้จะอยู่ในวัดเราก็ไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วข้อที่สามของความหายากก็คือการดำรงชีพของมนุษย์ก็เป็นของยากคนเราไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเราจะอยู่ไปถึงแปดสิบเก้าสิบปีตามอายุ ข, ขยของของร่างกายมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ชีวิตสิ้นสุดลงได้ทุกเวลทุกเวลาบางคนเกิดมาวันเดียวตายแค่นึ่บางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เดือนหนึ่งบางคนก็ปีหนึ่ง มีคนตายทงปอายุอายุสิบขวบอายุยี่สิบสามสิบตายไปเนี่ยกลายไปถึงเก้าสิบสินี่เหลือน้อยมากดังนัการดำรงชีพของของมนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะมีภยัยต่างๆรอบตัวภัยจากทางธรรมชาติภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆภัยจากสงครามภัยจากความมีนารง ผลร้ายธาลุนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปนต้นหรือภายจากสิงสารรัสส์ต่างๆจะทำให้ชีวิตการดำรงชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายนีนถ้าเรายัางสามารถมีชีวิตอยู่ได้นี่ถึงตอนนี้ก็ถือว่าเราได้เจอของยากอันที่สามนะและคือเราต้องมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เราเกิดแล้วตายถ้าเกิดแล้วตายเราก็ไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติทงได้ เราต้องมีชีวิตอยู่อย่างพระอย่างขณะนี้พวกเราได้สามอย่างที่หายากแลคือหนึ่งได้ได้มาได้เกิดเปน็นมนุษย์นั้นได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาแล้วยังมีชีวิตอยูยยอ่ยังไม่ตายไปก่อนนั่นสิ่งที่สิ่งที่เลยมาถึ ง, ถงสิ่งที่สี่ที่หายากก็คือการมีเวลาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมถึงแมจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้พบ ก, กับพมทศาสนามมีเวยังมีชีวิตอยู่แต่กลับไม่มีเวลามาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะทูตนำหน้าของกิเลสหล่อให้ไปหาความสุขจากโลกกะระทำหาราดยศเสริญหาความสุขทางตา ม, มจจจะหมกยิ่งกายกันก็เลยไม่มีเวลาเข้าวัดเพื่มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่มีคนน้อยมากที่สามารถที่จะเข้ามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมได้ในประเทศไทยนี่ มีคนเท่าไหล่เจ็ดสิบล้านคนใช่ไนะ ม, มีคนที่มาบวชเป็นพระนี่เท่าไหร่สามแสนแล้วในสามแสนนี่ที่มาศึกษาและปฏิบัติทำอย่างจริงจังนี่มีไม่ถึงไม่ไม่ถึงแสนถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับพระปฏิบัติไม่มีนะมีมาบวชเยอะมาศึกษากันเยอะแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติกันมาศึกษาแล้วได้ปริญญาก็ได้ไปไปได้รับตําแหน่งนตา่างๆ ไปเป็นเจ้าว่าไปเป็นครูเป็นอาจารย์ไปสอนทางป ร, รียนเสียไม่ได้ออกปฏิบัติั้นเหลือจำนวนน้อยมากที่มีเวลามาศึกษามาปฏิบัตินี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกภ้าป่านท่าัที่จะได้ครบทั้งสี่ประการนี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้มีชีวิตอยู่ ได้มีเวลามาศึกษาปฏิบัติทรรได้ออกบวยแล้วก็ไปอยู่ตามวัดป่าปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แล้วก็ได้บรรลุน้กผลนิพพานกันนี่คือเรื่องของสิ่งสี่ประการที่หายากซึ่งถ้าเราถ้าเราได้สามสามอย่างแล้วคือได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนายังมีชีวิตอยู่แล้วว่าควรจะผยขวัหาสิ่งที่สี่ให้ได้ คือหาเวลามาศึกษามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งให้มีวันศึกษาปฏิบัติธรรมสักหนึ่งวันวันที่เราหยุดทํางานที่เราไม่ต้องไปทำมากินเลี้ยงปากเลี้ยท้องเอาวันนั้นมาศึกษามาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดถือศีลแปดเป็นผ้าขาวอะไรฮะไปทำเทปไปทำอ่านหนังสือทำนั่นั่งสมาธิเดินจกงกรม การพิจารณาธรรมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาของกรากรปฏิบัติธรรมถ้าเราทําได้แล้วพอได้สัมผัสเจริญเราก็จะมีศรัท ธ, ธามากขึ้นก็ะ จ, จะเพิ่มมวนปฏิบัติได้มากขึ้นจากอาทิตย์ละวันก็นอาจจะเ่มเป็อาที่ย์ละสองวันอาทิตย์ละสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆเดินุึงขีดหนึ่งก็อาจจะพ้อที่จะไปบวชไดนะ้โดยเฉพาะถ้ามีอายุมากขึ้นมากขึ้น ก็สัมผัสจากความความทุกขทัุดทงโลกมาเพียงพอแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็อาจจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปกันก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าคนที่มีบุญก่ามมาติดตัวมาพออายุครบบวนก็บวชได้ครูบาอาจารย์บางรูปท่านบวชตั้ง แ, แต่เป็นเด็กาท่านก็บวชไม่เสร็จท่านปฏิบัติ หลวงู่ม่านีมรู้สึกว่าท่านบวชตั้งแต่เ็นมแต่ท่านนำลาศขาไปช่วยขาวไปช่วยทางบ้านทำไรถ่ายงานแล้วคอยเชนญญาท่านก็มาบวชแสดงว่าท่านมีบารมีเก่ามีบุญเก่าติตัวคอยถักยันให้มาในทางนี้ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องใช้กำลังของเราเองพยายามผลขวายศึกษาปฏิบัติ พยายาเอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาความสุขจากรูปเสียงเก่งมาให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมเราก็ยังจะมีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติความขึ้นไปเรื่อยๆได้สัมผัสกับแล้วก็จะมีกําลังใจที่จะปฏิบัติมากขึ้นไปเรือยๆถ้เราคิดถึงสี่สิ่งที่เราได้นี้ถือว่าเราโชคดีมากด้ของวิเศษ เราอยากป่อยให้มันหลุดมือไโอกาสนี้นานๆโอกาสขึ้นเราเรียกว่าโอกาสทองของชีวิตการได้พบกับสิ่งที่หายากสี่ประการ น, นี้จะทําให้เรามีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรถแห่งวิมุตติหยุดพ้นจากการเรียนว่าตายเกิดนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระอาวันวิสาขาพอดี ถาเรามารำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่นานานจะมาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งและเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นเป็นอารหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยหลังจากตัดสันนิษฐานก็ทรงประกาศพระธรรมำคําสอนให้แก่สามโลกถ้าเป็นพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้านี้ท่านจะไม่สอนใครก็จะไม่มีใครได้รับประโยชน์จากการอุบัติขึ้นของพระปฏิเจ้กับพุทธเจ้านอกจากตัว ภาพประเจติกัพบพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนงดังนั้พวกเราช่องดีมากที่เราได้สิ่งที่หายากอย่างมากก็สามประการถ้าเรายังไม่ได้เขาวัดศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเราได้เขาวัดศึกษาปฏิบัติธรรมก็แสดงว่าเราได้ทั้งสี่อย่างสี่สี่อย่างแล้วอยู่ที่ว่าเราจะศึกษาและปฏิบัติมากมเท่ยไหร่ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับตอนนี้ก็ได้สักสาข้อกับอีกเซี่ยวหนึ่งครับอาจารย์ยังได้ฟังพระอาจารย์ด่มากครับโอเคครับให้มาฟังเทศฟังธรรมนะครับให้สนนัตถธรรมอาจจะเป็นตัวกระตุ้นก็ได้ฟังบ่อยๆแล้วมันก็จะทําให้ฉุดคิดขึ้นมาอยู่ไปต่อไปก็แก่เจ็บตายไม่ได้ไม่ได้เลยไปเลยราบยศสรรเสริญศพที่หาการถือวันนี้ตอนนี้เห็นความวุ่นวายเยอะแล้วครับอาจารย์ครับ ยิงยิ่อเมียร์เยอมากขึ้นมันก็ยิ่งเห็นความทุกข์ของโลกนี้มากขึ้นเห็นความไร้ของไร้สาระของลาภยศสารสร่อมสุขเพราะมันไม่ได้มีค้นประโยชน์อะไรกับจิตใจแบบยั่งยืนเลยได้มาแล้วก็ผ่านไปจบไปอาจารย์ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองอะครับเขาก็เลยฝากคำถามมาแล้วผมเชื่อว่าท่านก็ชมอยู่ครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะรอรอชมตอนสองทุ่มครับ มีคำถามฝากถามท่านอาจารย์นะครับบอกว่ามีคนจำนวนไม่น้อยมา ก, กราพระพุทธรูปหรือเข้าวัดฟังธรรมมักจะหวังผลโดยขอให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งนี้เพราะอยู่ในวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่หวังพึ่จริงผู้มีอำนาจไม่ช่วยตัวเองในความเป็นจริงเมื่อเข้าวัดกราบพระเรียนเทียนฟังธรรมแล้วควรจะคิดอะไรครับอาจารย์คือ ตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าสิ่ง ต, ต่างๆที่เราต้องการนี้ไม่ได้เกิดจากการขอจากใครทั้งสิ้นเกิดจากการกระทําที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่คือความจริงศัจธรรมความจริงัึงการเข้าว่าเนี้ไม่ได้มีความเป้าหมายให้เราไปกราบขอจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้เจริญในลาบยศสรรสริญสุดนี้เป็นไป ไ, ได้ถึงแต่ว่าเรามากับเพื่อแสดงความเคารพนับถือได้เราเลึกถึงพระพุทธกุลพระธรรมคุณพระสงฆ์กุลว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมทำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรพระเรียสงสารลูกเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้บรรลุหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการยิ่ง่ายตายเกิด นี่คือการกราบพระที่แท้จริงเพื่อเรานู้ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อเราจะได้รู้ว่าการที่เราอยากจะได้อะไรนี่มันต้องเกิดจากการกระทำของเราอัตหิอัตโนานาถูตนเป็นที่พึ่ง ข, ของตนนี่สิ่งที่เราอยากได้ในโลกนี้มันก็มีสองอย่างคืออยากได้สิ่งที่เราเรียกว่าโลกกระทำและ จะได้ที่เราเรียกว่าสัจธรรมคือมื่อผลมิผ่านนี่เหตุปัจจัยที่ทําให้ได้ทั้งสองอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราต้องแยกแยะให้เข้าใจนะที่เราหลงกันเราคําสอนที่ท่านสอนเราทําดีได้ดีทำช่วยได้ทั่วนี้ท่านหมายถึงสัจธรรมครับที่เกี่ยวกับจิตใจของเราทําดีจิตใจของเราก็จะสูงขึ้นจากม น, นุษย์เข้าไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระนรับบุคคลตามลำดับ ถ้าทําชั่วจิตใจก็จะต่ําลงจากมนุษย์ก็ไปเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรแล้ตายเป็นนรกไปอันนี้คือเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ส่วนเรื่องกฎของโลกธรรมนี่มันอยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังทุกขังมนนตาไม่ไม่แน่นอนคนทําดีแล้วไม่รวยก็มีไม่เจริญก็มีคนทําชั่วแล้วรวยแล้วเจริญก็มีเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้รวยให้จนให้ให้ ให้รวยหรือจนเนื้อให้ใหญ่เป็นใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่นี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทาําความดีหรือการทาําความช่วยอย่างเดียวมันมันมีลูปเล่นหลายอย่างผลยังงี้ไปคุณหมอคงจะรู้ถ้าเข้าไปในสภาแล้วคงจะรู้ว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทาําความดีอย่างเดียวทาําความดี แ, แต่คนไม่ชอบมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้น แต่ถ้าทำความไม่ดีนะคนเขาชอบเขาก็ส่งเสริมเราได้นี่มันมีเหตุมีปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดีชั่วแต่อย่างใดดีชั่วก็อาจจะมีส่วนบ้างในบางครั้งบางาเวลาแล่ก็ไม่มันก็ไม่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ที่จะส่งผลให้ได้ตามที่เราคิดกันเพราะมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นความไม่แน่นอนหลายอย่าง บุคคลเอ่ยแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเลยเหตุการณ์ต่างๆเลยมันมีผลที่จะทําให้การอยาทําของเราทั้งการเรียนรู้เสริมทั้งโลกกระทำได้ดังั้นโดยหลักก็อย่าไปหวังขอไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็อย่าไปขออย่าไปหวังพึ่งใครต้องพึ่งตนเองทางโลกก็รู้จัก ว, วิวิธีการของทางโลกว่าจะทํำยังไงถึงจะให้ได้สิ่งที่เราต้องการ อยากจะเป็นพนานาทิปดีก็ต้องพยายามหาเสียงหาอะไรไปหไม่ใช่เรานั่งทำความดีนั่งสมาธิมันไม่ได้ทำให้เราไปเลือกสร้างเป็นพนานาทิปุตได้เยเราก็ต้องดูปัจจัยที่ทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการถ้าอยากจะเรียนหมอก็ต้องพยายาเรียนเป็นต้นถ้าอยากจะเป็นทหารก็ต้องต้องไปขยันฝึกเป็นทหารอะไรทาานี้แล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เรา สามารถจเจริญในทางที่เราต้องการได้แต่จะอยู่เฉยๆแล้วหวังให้คนนั้นคนนี้ช่วยเราคนนี้มันมันยากนอกจากว่าเราทําคุณทําประโยชน์หรือมีนี่มีบุญมีคุณต่อกันอันนี้ก็ถ้ า, า จ, จะต้องทดแทนบคุณกับเราอันนี้ก็ขอกันได้ทางโลกนะแต่ทางทำขอไม่ได้พนนี้พอจะเข้าใจไนหะมครับผมเข้าใจชัดเจนเลยครับอนะสรุปแล้วก็คือ มันก็ต้องหาตาเหียอัตโนมาโิถทั้งสองทางทั้งทางโลกทั้งทางธรรมยิ่งแต่เราให้รู้จักแยกแยะว่าทางโลกเป็นอย่างไรทางธรรมเป็นอย่างไรทางธรรมก็เรื่องจิตใจของเรานี่มันงเรื่องอันนี้เกี่ยวกับเรื่องดีชั่วเป็นตัวที่จะส่งให้เราสุขให้เราเจริญเลื่อเสื่อมให้เราต่างลงเนยแต่ทางโลกมันมีหลายปัจจัยด้วยกัน สรุปแล้วก็คือเป็นสัาธรรมกับเป็นไตลัตใช่ไหมครับอาจารย์ขันทบศาสนาธรร ม, รรมทางโลกก็เป็นไตลัตใช่ครับท่านฝากมาอีกคําถามหนึ่งครับอาจารย์ครับทําไมทุกศาสนาจึงไม่ส่งเสริมบ่อนการพ น, นันแต่ทําไมนักการเมืองอยากมีบ่อนคาสิโนศาสนาต้องปรับความจริงให้ทันโลกหรือนักการเมืองพวกนี้ไม่เหมาะสมครับอาจารย์ครั บ, บยเรื่อบายรมกมันเป็น สิ่งที่ทำลายคนไม่ได้เป็นการส่งเสริมคนว่าใาในรุ่งนี้มีแต่มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเดิมสุลานี้มีรายรับไหมีแต่รายจ่ายเสียเงินแล้วก็เสียสุขภาพเสียสติแล้วก็ไปทำความเสียายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเล่นการพนันมันก็อาจจะมีได้มีเสียบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ช้าก็เเลยมันก็ต้องเสีย พอมีข่าวอยู่เรื่อยคนที่เสียเสียเสียพันันเป็นหนี้พันันต้องไปพ้นไปจี้เพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้พันันยเป็นปัญหาของสังคมไปเล่นแล้วไม่ช้าก็เล็วก็ต้ององเสียเวลาได้ก็คิดก็เฮิมมีความเฮิมเกลือก็อยากอยากจะเล่นต่อพอเล่นต่อไปก็เสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกมันก็เลยเล่นไปเล่นมาเมื่เสร็มันก็หมดไน่ได้หมดตัวขายบ้านขาย ขายบ้านกัน ข, า ย, ขายที่ดินขายทรัพย์สินหมดทั้งว่ า, าขโมยขึ้นบ้านมันก็เพียงแต่เอาข้าวของไปไปไม่บ้านมันก็เพียงแต่ไหม้บ้านแต่ที่ดินมันยังยังไหม้ไม่ได้แต่เขาว่าผีพญา น, นี้มันเอาไปหมดเลยเราะฉะนั้นมันเป็นพิเป็นภัยต่อคนที่เว่นแล้วมันจะทําให้ตัวเองต้องไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นต่อไปในเมื่อตอนนี้ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ที่ สี่สุดเจริญเนี่ยก็ต้องไปหาหาวิธีด้วยวิธีทุกจริตไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงไปป้นไปจี้เป็นข่าวมาอยู่เรื่อยเนี่ยนี่คืออาบายามุกมีอยู่ห้าอย่างด้วยกั น, นคือเดินสลายยาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนที่ชอบอาบายามุกเป็นมิตรแล้วก็ความเกลียดครง อันนี้อย่าไปอย่าไปเดียวข้องกันร่นการเพราะมันจะดึงให้เราเสื่อมลงไม่ได้ทำให้เราเจริญขึ้นแต่อย่างไม่ว่าจะเป็นทางโนกหรือทางนังมีคำถามจากพี่สมพรครับอาสา์ครับบอกว่าโยมเพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปโยมทำบุญทำทานกับวัดต่างๆผ่านทางระบบออนไลน์และได้ใส่บาทในตอนเช้าสามารถอุทิศบุญส่งไปให้คุณแม่ได้ใช่ไหมครับน้องกล่าวขอคาแนะนาครับได้ได้ทำบุญทาทาน อาจารย์ครับมีคนถามบอกว่าระหว่างการสวดมนต์กับการไปเวียนเทียนนี่อะไรได้บุญมากกว่ากันครับถ้าสวดมนต์อยากก่างจริงจังมันน่าจะได้มากกว่าการเวียนเทียนมันก็เป็นเป็นการไปทําพิธีนั่นเองเพราะว่าความสงบจากการสวดมนต์นี่มันจะมากกว่าถ้าเราสวดมนต์อยู่ตามลำพังของเราคนเดียวในการเป็นการฝึกทําสมาธิแบบง่ายๆก่อน ส่วนมลไปก็ทำใจให้เราสงบไปเวรทีแล้วก็ต้องไปเจอกับคนเจออะไรต่างๆกันใจมันก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาได้จากการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆปัจจุบันนี้มีพนัก ง, งานบริษัทหรือประชาชนทั่วไปมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆ ป, ปีขออนุญาตกราวเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าข้อที่หนึ่ง การไม่ตรวจสุขภาพประจําปีถือว่าเป็นการประมาทในการดูแลร่างกายหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่าเรารู้จักการดูแลร่างกายของเราหรือไม่ถ้าเรารู้จักดูแลเรารู้ว่าสุขภาพเราไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ถือว่าเป็นการประมาทงั้นคนสมัยก่อนที่ไม่มีไม่มีการดูแลสุขภาพเขาเขาอยู่กันได้อย่างไรสมัยพระพุทธการก็ไม่มีสมัยก่อนเมื่อสัห้าสิบปีน้อยปีนี่ เราประเทศเราก็ไม่มีการตรวจสุขภาพอย่างนี้เขาก็อยู่กันมาได้ไม่อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการประมาทการประมาทก็คือการที่เราลืมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมากกว่าอันนี้เรียกว่าประมาทถ้าเราลืมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแถ้าเราไม่ลืมไม่ถือว่าประมาทนะเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวตายไม่ใช่พยายามฝืนนันฝืนนั้นไม่ได้ การตรวสุขภาพที่แท้จริงก็พยายามจะฝืนความเจ็บไายได้ป่วยเฝืนความแก่เฝืนความตายมันฝืนไม่ได้หรอกช่วมาเตรียมตัวแก่เตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวตายดีกว่าจะ ไ, ได้สบายใจไม่เครียดครับเขาถามต่อว่าพระพิสุสงฆ์ท่านมีตรวจร่างกายบ้างไหมครับอาจารย์ครับนั่นเอก็คำตอบคำตอบก็บอกแล้วท่านท่านใช้ธรรมะโอสถรักษาใจของท่านท่านรู้ว่าร่างกายท่าน ทางานก็ทํารักษามันไม่ได้ป้องกันไม่ให้มันแก่มันเจ็บตายไม่ได้ท่านก็เลยตรงดีกว่าการรักษาใจให้ใจเราสบายสงบไม่วุ่นวายไปกับการความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและอย่างนั้นข้อสามกับข้อสี่น่าจะาอาจารย์ได้ตอบไปหมดแล้วนะครับผมพระพุทธเจ้าสอนอย่างวิเศษในธรรมโอษฐ์สอนให้เราและเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกวัน เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพลาดพาจากสิ่งที่เรารัาเราชอบไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้คิดอยู่บ่อยๆแล้วต่อไปใจมันก็จะยอมรับพอยอมรับแล้วมันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเหมือนที่คลิปที่คุณหมอส่งมาให้ดูใช่ไหมยืง<ช>ไม่ได้นาะไ<ๆ>ม่นหน่อเพราะเสียใจเพราะไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเป็นจริงว่า วันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปพอสูญเสียไปแล้วมันทําใจไม่ได้แต่ถ้าเราเตือนใจเราบ่อยๆทุกวันเราจะรู้ว่าเอออาจจะเกิดขึ้นได้นะภรรยาเราสามีเราอาจจะนอกใจเราก็ได้นะหรือเขาจะตายจากเราแบบกระทำฐานขึ้นมาก็ได้ถ้าเราเลิอกอยู่บ่อยๆพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็จะไม่ไม่เศร้าโศกเสียใจ อาจารย์บอกว่าถ้าเสียไปแล้วก็อยากไปหาใหม่อาจารย์บอกฉันเลยว่าไม่เช็ีไยครับถวายเพนข้าวพระแต่ไม่ได้กรวดน้ําอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์คือคำว่ากรวดน้ํานี่หมายถึงอุทิศบุญการอุทิศบุญนี่จะใช้นานก็ได้ไม่ใช้น้ำก็ได้ข้อสำคัญก็คือให้เราระเลิกใครในใจของเรา ก่ออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านที่รวงลับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ไปก็ถือว่าเราได้อุทิศบุญแล้วแต่ถ้าเราไม่อุทิศเลยผู้ที่รอนับก็จะรับไม่ได้ช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดและไม่มีพระพุทธศาสนาโลกและคนในตอนนั้นเป็นอย่างไรครับก็คล้ายๆตอนนี้เละ ตอนนี้ถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาแต่คนก็มืดบอดไม่สนใจไม่ศึกษาไม่มันก็ไม่รู้สึกได้ซ้ำไปแต่ส ม, มัยนี้ไม่รู้สึกได้ซ้ําว่าพระพุทธศาสนามีไว้ทําไม น, นแหล ะ, สะแสดงว่าเหมือนกันอยู่ในยุคที่ไม่มีพร ะ, พ, ระพุทธศาสนามีแต่ไม่มีความสนใจที่ที่จะควนขวายศึกษาเรียนรู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์ก็มองไม่มีดีๆนเอง พ่สมพรครับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เรื่องการทําบุญอุทิศกุศลให้คุณแม่ที่ได้ลาลกนี้ไปแล้วผมสามารถทําบุญโดยวิธีการอย่างไรบ้างใส่บาตรตอนเช้าอุทิศบุญกุศลไปให้คุณแม่เกือบทุกเช้าครับหากติดภารกิจในตอนเช้าก็จะทําบุญออนไลน์กับวัดต่างๆผ่านทางระบบออนไลน์แล้วอุทิศไปให้คุณแม่ทําบุญและอุทิศอย่างนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องนะในตำนานท่านก็สอนให้เราทําบุญทําทานให้กับพระอิศสองเป็นหลัก แต่ถ้าจะอยากจะทําให้กับงองโรงพยาบาลมากมทำกล่องโรงเรียนมากก็น่าจะอยู่ในกรอบเดียวกันคุณรัฐพันธ์ครับอะไรที่เราสามารถยึดมั่นถือมั่นได้ในโลกนี้ครับก็ธรรมะของพระเจ้าเราเป็นสานะเป็นที่พึ่งของเราได้ถ้ามีธรรมะของพระเจ้าแล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะปราศ จ, จากความทุกข์ ดังนั้นเราเรายึดถือม่นไม่ได้นพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอ น, นิจจการการศึกษาปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือการได้ศึกษาธรรมะได้ถือศีลปฏิบัติธรรมตามแนวพระป่ายิ่งดีจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งกว่าขั้นการได้ใส่บาตรหรือเปล่าครับเป็นขั้นที่สูงกว่าการทําบุญทําทานโยมเข้าใจถูกต้องแล้วไหมครับ กต้องการทำบุญทำทานนี้เป็นการเริ่มต้นของกระบวนการสู่การเข้าหาธรรมของพระพุทธเจ้าคือเป็นการปฏิบัติแบบง่ายไปก่อนใส่ทำบุญใส่บาปนีมันง่ายกว่าการรักษาสีการรักษาสีนี้มันง่ายกว่าการไปเจริญสตินั่งสมาธิไปบวชเป็นพระแต่ก็ต้องเริ่มต้นจากการทำบุญทำทานให้เราปล่อยวางเรื่องของการ หาความสุขจากการหาวงินหาทองแล้วใช้เงินใช้ทองไปหาความสุขกับสิ่งตา่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นการหาความสุขมันมเป็นการหาความทุกข์มีผู้แนะนําว่าไม่ควรแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรขอฟังความคิดเห็นจากพระอาจารย์ครับคือคำว่าแผ่เมตตานี่คือการกระทําไม่ได้เป็นการสวด งั้นเวลาเราเจอใครนี่เราต้องให้ความเมตตาสเพสัตตาหมายถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เนื้อกายทิพย์ต่างๆถ้าเราถ้าเราพบปากกับเขาเราก็ควรใช้เมตตาเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันสมมุติว่าเราเจอคนที่เราคิดว่าเป็นเจ้ากรรมในเวนเรแล้วเราก็ต้องดีกับเขามีเมตตากับเขา เวลาเจอเขาก็ทักทายสวัสดีเป็นยังไงสบายดีหรือถ้าอยากจะให้เขามีความสุขแล้วก็หาของไปฝากเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดเขามีอะไรทำลายทําร้ายเราหรือทำอะไรให้เราเสียหายเราก็ให้อภัยเขาอย่าไปจอาเวรจองกรรมอันนี้ทําได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมีมีคนได้ประโยชน์พระเจ้าบอกเมตตาคําจุนโลกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างร่าลมเย็นบาสุขก็คือ ถ้าเรามีเมตตาต่อกันการฟังธรรมะจากพระอาจารย์หนังสือออนไลน์เหมือนตอนนี้หรือภาคกลางวันตอนออกอากาศบ่ายสองพอจะเทียบเคียงกับการเข้าวัดฟังธรรมจากพระอาจารย์ที่วัดญาณนนสังวรารามโดยตรงหรือเปล่าครับเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับก็ไม่ทราบนะบางคนก็บอกว่ามาฟังที่หน้าวานันี่หน้ากุฏินี่มันรู้สึกว่ามันได้ผลดีกว่าอาจจะเป็นอุปทานหรือไม่ก็ตาม เป็นเฉพาอย่างยิ่งการช่วงนี้มีการนั่งสมาธิหลัจากการทำธรรมด้วยรู้สึกว่าเขาได้นั่งกับอาจารย์แล้วทําให้เขารู้สึกว่ามีวินยัยมีสติดีขึ้นนั่งแล้รู้สึ ก, กจิตเขาสงบมากขึ้นกว่านั่งอยู่ที่บ้านบางท่นอาจจะมีส่วนพราบรรยากาศในวานกับบรรยากาศที่บ้านมันต่างกันที่บ้านมันจะมีข้ามมีสิ่งอะไรรบกวนเยอะกว่าแต่ที่วัด น, นี่จะมีความน้อมรื่นกว่า ม, มีมีความ ความเป็นธรรมชาติมากกว่าซึ่งธรรมชาตินี่ก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทําให้ใจเรานี้สงบได้ง่ายขึ้นก็เยอะกับกับสิ่งที่เป็นของที่ผลิตขึ้นมาโดยมนุษย์รูปเสียงกลิ่นรสตา่างๆเพราะของที่ผลิตขึ้นมาด้วยจากมนุษย์นี้มักจะทํามันด้วยเอามาจากกิเลสแล้วจะเป็นตัวที่เขาคอยกระตุ้นกิเลสของคนอื่น แต่ถ้าเป็นของธรรมชาตินี้มันไม่ได้เป็นของกิเลสอยู่กับธรรมชาตินี่มันจะไม่มันจะ ไ, ไม่มีกิเลสมันกระตุ้นให้กิเลสในใจเราเกิดขึ้นถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเรายกมือร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องร่วมโลกของเราอย่างนี้เราได้บุญไหมครับกับุญก็ความสุขใจนะียถ้าเรามีความสุขใจก็ได้บุญ วัดที่โยมไปเป็นประจำพอโยมได้ฟังพระท่านตําหนิโยมที่ทําบุญที่ท่านจะทําพระวัดทําด้วยเงินที่น้อยไม่ต้องทําทําให้โยมไม่อยากจะไปวัดแต่โยมต้องไปเพราะเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาจะไปอีกโยมบาปไหมครับไม่บาปหรอกการที่เราจะไม่ไปทําบุญไม่บาปเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้บุญแต่ถ้าเราคิดว่าที่ที่เราไปไปก็ไม่ได้บุญอยู่ดีแล้วก็ก็ไม่ไปเสียก็มันก็ไม่ต่างกัน ไปก็ไม่ได้บุญไม่ไปก็ไม่ได้บุญไม่ไปดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปให้เสียเวลานอกจากว่าเราไปเป็นเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนก็นไปคนเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยเราไปเป็นเพื่อนอันนี้เราก็ได้บุญจากการที่เรารับใช้เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนให้เพื่อนได้ไปวัดตามที่เขาต้องการจะไป ทำว่าความไม่ยึดติดในพระพุทธศาสนาสอนให้เราปล่อยวางอย่างไรโดยไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบครับก็เรามีอะไรที่เราต้องจำเป็นจะต้องมีเช่นปัจจัยสี่นี่เราต้องมีเพื่อจะได้มาเลี้ยงดูร่างกายเราก็ต้องหามาแล้วก็ร่างกายเราก็ต้องมีเราก็ต้องรักษาไว้ด้วยปัจจัยสี่แต่เราก็ต้องรู้ว่ามันมีเวลาที่เราจะไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายไว้ได้ เมถึงเวลาที่เราไม่สามารถทําอะไรให้กับกร่างกายได้เราก็ต้องปล่อยอย่าไปฝืนอย่าไปอยากอย่างที่สมัยนี้รักษากันจนแบบหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ตายไปอยู่ดีก็ถึงเวลาก็ให้รักษาแบบธรรมชาติดีกว่าไม่ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องมือของแพทย์สมัยปัจจุบันนี้เครื่องช่วยหายใจลมหายใจอะไรต่างๆเจาะค อ, อเจาะจมูกเจาะอะไรอย่างนี้ อันนี้ไม่จาเป็นจะต้องรักษาแบบนี้ถ้ารักษาแบบนี้แสดงว่ายัางยึดติดอยู่ถ้าไม่ยึดติดก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินดืได้ก็ดื่มดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องดืดให้เป็นไปตามธรรมชาติมาอันนี้ก็เรียกว่าไม่ยึดติดถึงวเวลาต้องปล่อยก็ต้องปล่อยคุณวีว่าครับการเวียนเทียนได้บุญหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าเวียนเทียนด้วยสติก็ได้บุญในการเดินจงกรมเเป็นการการที่จะไปเที่ยวเดินตามช้อปปิ้งไปดูซื้อข้าวซื้อของซึ่งทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาวเวลาไปเดินตามส่วนการค้านี่ความอยากเสพรูปเสียงกันั้นผุดออกมาทันทีใช่ไหมแต่ถ้าเราไปนั่งไปเดินเวียนเทียนนี่เราไปรับนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุ ณ, รรณเขาสอนไว้ว่ารอบแรกกาเราเดินรอบพระเจดีย์นี้ให้นับถึงพระพุทธคุณเช่นส่วนบนุตอิติปิโส เนท่ามพุโทโธพุธโทโธไปรอบที่สองให้เราสวดบทสวัสขาโตก็วาตาธโมหรือให้เราคิดถึงธโมธโมไปภายในใจรอบที่สามก็ให้เราคิดถึงพระสงค์สังโฆสังโฆไปถ้าเราไม่เดินไปแล้วเราคิดถึงพุโทโธตโมสังโฆไปเราก็ได้เราก็จะได้สติได้ความสงบในระดับหนึ่งดีเวทที่ที่จะเกิดก็มันเกิดขึ้นมาไม่ได้แตถ้าไปเดินตามสูนย์งานฆ่า เ ห, เห็นนู่นเห็นนี่โอ้ยอยากนู่นอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาทันทีมันกิลเลขึ้นมาทันทีนี่คือประโยชน์ของการเวียนเทียนเป็นการสอนผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติให้รู้จักวิธีปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติวิธีเวียนเทียนที่ถูกต้องไปแล้วก็ไปเดินจีบกันก็มีผู้หญิงผู้ชายเลย <laughs> แล้วเดินไปก็คุยกันไปคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้ไปเดินสามรอบจบแล้วก็จบไป ไม่ได้ไปอยู่อะไรเลยจากการเวียนเทียนกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากต้องสะสมบุญแต่ทําไมมนุษย์ปัจจุบันจิตใจถึงได้เลวร้ายกว่าสมัยก่อนครับก็ <S <S ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่จากพวกที่มีบุญทนะั้นพวกที่ผู้ที่ทํำบาปพอพ้นบาปเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์เท่ากันต่างื่อนงำที่ว่าคนที่ทําบุญเวลามาเกิดจะเป็นคนมีบาลมี มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานมีฐานะร่ำรวยหรือมีอยู่ดีกินดีเป็นต้นส่วนพวกที่ทําบาปนี่มาเกิดมัจะมาเกิดแบบอาภัพว่าสนาเกิดม า, าการไม่ครบสามสิบสองรูปล่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่โปร่งใสอายุไม่ยืนยาวนานมีโรภคภขยไข้เจ็บเบีลเบียนอายุสั้นยากจนในทำนอานี้ นี่คือความต่างระหว่างของผู้ที่มีบุญกับผู้ที่มีมีบาปติดตัวมาดนงคน้าถามว่าไม่ตายได้ไหมเจ้าค่ะไี่อยากเกิดเท่านั้นถึงไม่ตายทุกเยี่ยมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายแล้วถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องหยุดความอยากที่พาให้มาเกิดการมติหนาภาวะหนาวิภาวะหนา ในการจะหยุดการมาัตหาภาวะตานาวิภาวะตานานั้นก็ต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญาหรือทานศีลภาวนาไปชอบผู้หญิงที่มีสามีแล้วครับแต่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้มีแต่ความรู้สึกแบบนี้เป็นบาปไหมครับถ้ายังไม่ไปยุ่งกับเขาก็ยังไม่บาปแต่มันก็เป็นจุดที่จะถ้าเราไม่ระมัดระวังเดี๋ยวมันก็อาจจะทําให้เราหักห้ามจิตใจไม่ได้ ถ้าเราก็จะไปทําบาปต่อไปเป็น ท, ทําให้ดีก็เรียบถ้ารู้ว่ารู้ว่าชาบก็เรียบตัดเสียรู้ว่ามันผิดก็อย่าคิดถึงมันใช้สติหยุดมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปด้วยให้มีเหตุหรืออุปตตาคิดถึงความเสียหาที่จะตามมาต่อไปเราไปยุ่งกับเขาแล้วก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาและคนที่เอเป็นคู่ครองของเขาถ้าคู่ครองก็รู้กันว่านอกใจกันนี้ไหมก็ความรักต่อการละกันมันก็หาย ความโกรเกียดชังก็เกิดขึ้นมาอาจจะเกิดการทำร้ายน้างขายของกันและกันต่อไปก็ได้ให้คิดถึงผลเสียหายที่จะตามมากับผู้อื่นกับตัวเราด้วยแล้วก็อาจจะถูกเขาทำร้ายก็ได้เมื่อไปยุ่งกับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นเามีแต่ปัญหามีแต่โทษให้คิดอย่างนี้ระดับสมาธิ ที่เห็นกายอย่างนอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งแยกออกจากกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคืออะไรครับอคือการความสงบจริงๆนี่มันจะไม่มีเห็นมันไม่เห็นน่างกายมันไม่เห็นเวทนามันจะนิ่มันจะสงบอย่างนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอย่างไร <c oughs> คุณพ่อไม่สบายมากครับท่านชอบบอกลูกๆว่าไม่ไหวแล้ว เราควรจะพูดกับท่านแบบไหนครับก็กคณะตัคุณพ่อไม่ต้องพูดอะไรนะพูดไปก็ก็มันก็ไม่รู้นะเรจะพูดไงถ้าท่านจะพูดอะไรก็ปล่อยท่านพูดไปเรามีหน้าที่สนับสนุนก็บอกว่าพ่ออยู่ต่อไปเถอะให้กําลังใจกับท่านพวกผมมีหนีที่จะรับใช้เลงดูพ่อไปอย่างเต็มที่เพราไม่ต้องการวลกับเรื่องของการดูแลพวกผมนี่ถือว่าเป็นดุลเป็น บุญส่วนที่ได้ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อท่านอาจจะพูดเพื่อจะมาทดสอบว่าเราจะรู้สึกยังไงกับการที่เราต้องมาคอยเดึงดูดท่านก็ได้เราก็ต้องพูดให้กำลังใจว่าพ่ออยู่ต่อไปเถิดอยู่เป็นเป็นรุ่มพลรุ่มใสของลูกๆให้ลูกได้มีโอกาสได้ทําบุญกับพ่อเป็นต้นคุณสุภัตราครับเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกนรกครับ ก็อย่าทําบาปแล้วอย่าเสพอบายามุขเพราะการเสพอบายามุขนี้ในการชุดจิตให้ไปอยู่ที่ปากประตูนรกมันจะทําให้เข้านรกได้ง่ายขึ้นมันจะทําให้ทำบาปได้ง่ายขึ้นนัน<ม>ต้องตํางละเว้นทั้งสองอย่างละเว้นอบายามุขและละเว้นการการะทําบาปบางก็มีสี่ข้อคือฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปดแล้วก็อบายามุขก็คือการดื่มสารยาเมา เรื่องเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการครบคนชอบอาบายามุกเป็นมิตรและความเกียดการให้เร็กเลี่ยงสิ่งเหล่านี้แล้วโอกาสที่จะไปนรกนี้ก็จะไม่มีมีคนชอบมินทาชอบว่าคนอื่นทั้งที่มาวัดเราจะควรจะแผ่เมตตาให้เขาไหมครับควรจะปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา คนที่โดนมิจฉาชีพหลอกคือจากความโลภแต่มันคือกรรมที่เขาต้องชดใช้ใช่ไหมครับอาจจะโกงเขามาก่อนเลยต้องมาชดใช้ใช่ไหมยังไงก็หนีกรรมใช้กรรมนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็น่า แ, แต่ว่าเราทำกรรมมาหรือไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมอาจจะเป็นเรื่องของความโลภของเราก็ได้พวกเราทุกคนนี่มีความโลภฉะนั้นถ้ากายเอาอะไรมาล่อเราก็อาจจะเปนเหมือน เป็นเป็นเหมือนปลาที่ไม่ฉลาดพอเห็นเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่ า, ป า, าปเป็นอาหารโอชะพอไปคุกเบียดเข้าก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดความโน้มแล้วมันก็อาจจะลืมสติอาจจะหายไปปัญญาก็อาจจะหายไปเห็นต้องพยายมีสติมีมีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยไม่มีใครอยู่ดีๆให้อะไรกับเราหรอกถ้ขาขอให้เราเรานี่ขอให้เราเราแวงนี่เร า, เราว้างเขาตรงนี้ มีลผลผลอะไรอยั ง, อยงไดอย่างหนึ่งจากเราอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องไปเป็นหนี้เขาเราก็อย่าไปเอาดีกว่าขอบคุณก็แล้วก็บายบายไปจะได้ปลอดภัยกว่าการที่เก็บกระดูกไว้ น, น, นานๆโดยไม่ได้นําไปลอยอังคารจะทําให้ผู้เสียชีวิตไม่ได้ไปผุดไปเกิดแคจริงไหมครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเรื่องนี้ เรื่องร่างกายเรื่องสมนี้จะไปทําอะไรไม่เกี่ยวกับการไปของดวงวิญญาณเหตุสิ่งที่พาให้ดวงวิญญาณไปเกินที่นั้นที่นี่ก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่ได้ทําไว้เท่านั้นเองหากใจเราเผลอคิดอกุศลต่อพระผู้มีรัตนะตรายทั้งเจตนาและไม่ได้ตั้งใจคิดจะเป็นอะไรไหมครับขอขามาแล้วครับเป็นอกุศลเป็นความคิดที่ไม่ดีทําให้ใจเราไม่สบาย นี่อาจจะนำไปสู่การกระทาต่อไปองั้นเราก็เียบยหยุดกันดีกว่าความคิดท้ากุศลนอกจากกับใครก็ตามจะไปกับพระก็ได้กับคนที่ไม่เป็นพระกะ็ได้ไปความคิดที่ไม่ดีอย่าคิดร้ายกับผู้ให้คิดแต่ดีกับผูด้่ดีกว่าถ้าคิดถ้าคิดดีไม่ได้จะคิดร้ายก็หยุดมันด้วยสติในคำวลริกรรมพุโทโธพุโทโธไป ทุกครั้งที่เราคิดจะกดสอนก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่งมันก็หยุดไปเองตอนบั้นปลายของชีวิตควรจะฝึกสมถะหรือวิปัสสนาดีครับมันต้องสมถะก่อ น, นึงจะใช้วิปัสสนาได้วิปัสสนาก็ใช้ได้แต่ไม่ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้อย่างเต็มที่ต้องมีสมถะคือมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน เราใช้ปัญญาก็ได้ใช้ปัญญาเห็นเรื่องเราต้องตายเป็นธรรมดามันก็จะช่วยทําให้ใจเรานี้ยอมรับได้ในระดับหนึ่งไม่ถึกับทุกจนเกิดไปแต่มีความทุกข์อยู่ปัญญาหมดทุกเต็มที่เราต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนทําให้ใจนิ่งเฉยให้ได้เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนถ้าใจยังไม่เป็นอุเบกขานีใจก็ยังจะทุกข์อยู่ถึงแม้จะมีปัญญาสอนใจว่า ร่างกายไม่ไม่เช่เราร่างกายจะต้องตายตกิตเหตมันยังไม่ยอมฟังปัญญามันจะฟังก็มันจะหยุดก็ต่อเมื่อเราใช้เรามีสมาธิมีมุ่งหมายขิตเก็ถึงจะไม่ต่อต้านการเจ็บป่วยก็คือการใช้กรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็มีส่วนหนึ่งชาติก่อนาอาจจะทำบาทํากรรมมาเลทำให้เราเป็นโรคภัยไค้จิตมากผิดปกติ จากผู้อื่นแต่ส่วนนี้ก็เกิดจากการมาเกิดเนี่ยถ้ามาตายก็ตายเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องเจ็บคไายได้ป่วยด้วยกันนี่จะเจ็บมากเจ็บน้อยก็ขึ้นอยู่ที่บาปบุบาปที่ทําไว้ถ้าเจ็บมากก็แสดงว่าอาจจะมีมีบาปเนี่ยร่วมผสมด้วยแล้วถ้าเจ็บน้อยบางคนไม่ไม่ค่อยเจ็บไายได้ป่วยเลยถ้าว่าตายก็ตายไปเลยก็มีก็แสดงว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทําบาปมา การที่ผู้ใดเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรด้วยโรคภัยเป็นกรรมประเภทอุปฆ า, าตกรรมหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าเป็นประเภทไหนก็เพียงแต่รู้ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเวลาหนึ่งจังจะตายได้ทุกเวลานาทีถ้าเราไม่รู้เรื่องกรรมนี่มนไม่ต้องไปสนใจก็ได้ให้รู้ว่าชีวิตมันจะต้องตายแล้วตายช้าตายเนาก็ไม่มีใครสามารถเป็นกหนดได้ อาจจะเป็นเ่องของกรรมก็ได้แต่เราถ้าเราไม่รู้ก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้เพียงแต่ให้เรารู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนเราอาจจะตายได้ทุกเวลานาทีเราจะได้ไม่ประมาทมีเตรียมตัวตายเสียแต่นั่นนั่นเพราะเราจะตายมันจะได้ไม่ทุกถ้าเราเตรียมตัวตายได้ถ้าหากในระหว่างที่เราปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดที่วัดแล้วเกิดความสุขใจเราสามารถอุทิศบุญในตอนนั้นได้หรือไม่ครับ ก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้มีการแสดงไว้ในตํานานเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการรักษาศีลว่าสามารถเอาไปอุทิศบุญให้กับผู้อื่นได้หรือเปล่าก็ไม่สามารถตอบได้เพียงรู้ว่าวิธีอุทิศบุญก็ต้องจะกจากการทําทานนนั้นที่มีแสดงไว้ในตนานําราถ้าเราทําบุญใส่บาทเราต้องอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยไหมครับเราอุทิศให้ใครก็ได้ ต้องเป็นผู้ตายนะไม่ใช่เป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อาจารย์ครับการยึดติดในอัตตาคืออวิชชาใช่ไหมครับก็อวิชชาเป็นเหตุที่ทําให้เราไปยึดติดไงเพอเรารู้ว่าขาดจิตไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนตัวตนไม่มีตัวตนเกิดจากความหลงของจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองสร้างจินตนาการขึ้นมาว่าจิตเป็นผู้เป็นตัวตนจิตเป็นผู้รู้ผู้คิด มันเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดท่านเป็นธานรู้เวลาในนรกยาวนานมากๆตามในพระคัมภีร์จริงไหมครับเวลาในนรกสวรรค์นี่มันก็เหมือนกับเวลาที่เราหลับเนี่ยเวลาเราหลับนี่เราก็จะไปอยู่นรกหรืออยู่ในสวรรค์มันก็จะรู้สึกสั้นหรือยาวส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นความสุขมันก็จะรู้สึกว่ามันสั้นมันเร็ว ถ้ามนเป็นคามทุกข์จะรู้สึกว่ามันยาวมันนาะบ <laughs> เวลาจะเท่ากันก็ตามเวลาไปติดคุกกับเวลาไปเที่ยวปีหนึ่งเหมือนกันเนียอันไหนมันจะผ่านไปเร็วกว็่กันหากใจเผลอคิดอกุศลต่อพระอริยเจ้าแบบไม่ได้ตั้งใจและเผลอคิดตั้งใจแว็บหนึ่งจะคิดเป็นมนโนกรรมบาปไหมครับถ้ายังไม่มีการกระทาทา ทางกายทาอวาจา ย, ยังไม่บาปเป็นเพียงแต่เป็นอกุศลถ้าเป็นมะเร็งแล้วไม่รับการรักษาอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปลูกหลานที่ดูแลเราไม่พาไปรักษาบาปไหมครับอาจารย์ครับก็เป็นหน้าที่ของเราต้องต้องเป็นเหมือนรักษาเขาถ้าเรามีสถานะที่จะ ท, ทำได้ แต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการรักษาก็ไม่ต้องฝืนเขาชวนเพื่อนสนิทไปปฏิบัติธรรมแต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งเราควรใช้คำพูดอย่างไรดีที่สุดครับก็ไม่ต้องพูดอะไรดีนี้สุดแสดาว่าเขาไม่ชอบไป <c oughs> ไม่พูดอะไรเสียเวลาทาไม <c oughs> เสียเพื่อนทำไมทไมแล้วก็ไปของเราเองสิคนชอบกินก๋ว้เดีย๋ยวคนชอบกินข้าวผัดแล้วชวนให้เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเรา เขาก็ไม่ไปเลยเขาชอบกินเข้าวผัดทําบุญกุศลอะไรทําให้เรามีเงินใช้ไม่ลําบากครับก็ทํทาบุญทําทานอยู่เร่อยๆบริจาคเงินให้กับวัดบริจางเงินให้กับโรงพยาบาลโรงเององค์กรสาธารณกุศลทั้งหรหรือทดแทนบุญคุณกับผู้ที่มีพระคุณของเราวิดามารดาปุยาตายายครูบาอาจารย์เนยตอนนี้จะทํา ให้เราร่ำให้รวยต่อไปในครบหน้าชานะติน้แเราไม่ใช่ภพนี้นะภพนี้ยังจนลงจนลงไปเรื่อยๆพราอมงินจะหมดจากการทําบุญทําทานแต่พระเวชสรรด์นดอนเนียพระเวชสรรด์นดอนถ้าไม่ได้โดยท่านจนขนาดที่ท่าทำตามบุญทําทานแต่พอท่านมาเกิดท่านมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมาร ตายแล้วจะมีความทุกข์ได้อย่างไรครับและจะไปเกิดในภพใหม่เนี่ยทันทีไหมครับตายแน้วถ้าบาปมันมีอํานาจบาปมันก็จะสร้างมันก็จะทําให้เราฝันลายขณะที่เราตายไปนี่เหมือนตอนที่เรานอนหลับถ้าบุญกับบาปนี่จะเป็นผู้มาผลิตความฝันให้เราได้สัมผัสในขณะที่เราไม่มีร่างกายถ้าบุญก็จะผลิตความฝันที่ดีที่มีแต่ความสุขถ้าบาปเป็นผู้ก็ิต ความฝันมันก็จะมีแต่เรื่องเลวร้รรายต่ตางๆเรื่องของความทุกข์ต่างๆเป็นนี่เขาครับแต่ไม่มีทางใช้นี่ได้ถ้าไปบวชอย่างนี้เป็นบาปมากไหมครับเขาไม่ให้บวชนอ้องถ้ามีพรรษกรณี่เขาจะถามถามก่อนเป็นนี่หรือเปล่าถ้ามีก็เขาให้ การเดินจงกรมนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันเป็นการสะสมบุญบา ร, รมีหรือไม่อย่างไรครับเป็นการสะสมนั่งสมาธิก็จะเป็นการสะสมอุเบกขาบา ร, รมีเวลาไปทำบุญที่วัดตอนพระกำลังสวดมีคนมานั่งคุยกันอย่างนี้เขาได้บุญไหมครับไม่มีการได้บุญจากการสวยของพระการสวยของพระที่เป็นการชื่นชมยินดีกับการทำบุญของเราเท่านั้นเอง เราเข้าใจผิดคิดว่าพระให้ให้ให้พรให้สินเราไม่ได้ให้หรอกพระเพียงแต่บอกเราว่าขอแสดงคำยินดีกับการทําบุญของคนนะการทําบุญของคนนี้จะทําให้คนเจริญด้วยอายุวันโนสุขังพลังพระไม่ได้ให้พรเราไม่ได้ให้อายุวันโนสุขังวลังกับเราเราตระหงเป็นผู้ที่ให้การอายุวันโนสุขังวลังกับเราแต่เราไม่รู้อะไรกระสวดให้เราฟัง ทีนถ้าไปสวดเป็นภาษาบาลีเราก็เลยยิ่งเมรูใหญ่แล้วเคขี่ยทำได้พอเลยสาธุกันไปใหญ่ทําบุญถ้าพระไม่ไม่ให้พรแสดงว่าไม่ได้บุญใช่ไหมไม่ใช่หรอก <c oughs> ทาบุญพระนี้มันได้บุญนะคือความอิ่มใจสุขใจที่เกิดขึ้นในใจของเราพระเพียงแสดงความชื่นชมยินดีและบอกว่าบุญนี้สามารถแบ่งให้กับผู้ที่นอกนับไปแล้วได้สามารถอุทิศบุญได้ แล้บุญนี้จะทําให้ท่านจเจริญด้วยอายุมโนสุขังพลังใ น, นการสอนไม่การบอกไม่ได้เป็นการให้บุญทั้งอะไรกับเราเลยครับผู้ที่อยู่ในอรู ป, ปรพบด้วยกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไหมครับเขาไม่ติดต่อกันเพราะอยู่ในสมาธิไงอยู่ในรูปฌานค่ะรูปฌาน หา NO เราเตรียมอาหารเพื่อใส่บาตรแล้วขออนุโมทนาบุญที่จะทําให้แก่ญาติที่ร่วมรับเทวดาประจําตัวกายะสังขารเจ้าของที่เจ้าของทางและอื่นๆอยากทราบว่าเหล่านี้เขาจะได้รับบุญที่เราแผ่ไปไหมครับก็อยู <S <S ่ที่ว่าเขารอรับหรือเปล่านีคือดวงวิญญาณที่จะมารอรับได้มีดวงวิญญาณชนิดเดียวที่เราเรียกว่าเปรตพวกนี้เขาจะหิวบุญเพราะทุกที่เขาอยู่เป็นมนุษย์เดิ่เขาไม่เขาไม่ได้ทำบุญ แล้วไม่มีโอกาสได้ทําบุญไม่ได้ทำบาปเพราะว่าอะไรไปเกิดแบบลนมั ญ, ญานที่หิวโหยไม่มีบุญหลอกเล้ยงจิตใจเขาเพราก็อะไรจะมารอรับบุญส่วนจากผู้ที่ทําบุญและอุทิศบุญเหล่านี้ให้กับเขาไปเวลาดูลมแล้วอึดอัดครับหายใจไม่อิ่มครับต้องทำอย่างไรครับสนมสติเรายังไม่มีกําลังพอก็ให้มาใช้กานส่วนบนไปก่อน หรือถ้าบริกรรมพุโทโธได้ก็บริกรรมพุโทโธไปแทนมีคนถามว่าทําไมศาสนาพุทธมักพูดแต่เรื่องทุกข์หรือความตายเวลาฟังบ่อยๆเขารู้สึกหดหูซึ่งเราบอกเขาว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เราเห็นหลักความจริงเกิดก็เป็นทุกข์แล้วกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับนำไมเวลาไปหาหมอหมอพูดเรื่องอะไรหมอเขพูดแต่เรื่องโงรคภัยแค่เจ็บนี เราอยากจะรู้ไม่ใช้เราถึงไปหาหมอหมอผมเป็นอะไรเปมาอะไรหรือเปลป่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันไปหาไ ป, ไปหาวัดไปหาพระท่านก็บอกโรคคลายค่เจ็บของจิตใจเราใจาเราทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายท่านก็สอนวิธีว่าจะรักษาใจของเราไม่หาทุกข์ได้อย่างไงถ้าเราปล่อยวางร่างกายอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยาก ให้นางกายไม่แก่ไม่จิตไม่ตายเราก็จะหายทุกเอเหพระพระหรือวัดหรือศาสนาก็เป็นเป็นเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นแพทย์ทำใจเป็นจิตแพทย์พูดง่ายๆก็ต้องพูดแต่เรื่องของจิตแพทย์ถึงจะพูดเรื่องการท่องเที่ยวมันเดินได้ประโยชน์ยังไงเวลาทําบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้วจําเป็นจะต้องเอาโกรธใส่กระดูกและภาพถ่ายมาพันใส่ศีลตอนทําบุญให้ไหมครับ ก็แล้วแต่เรามันเป็นเพียพิธีกรรมบางคนไม่อยากจะทิ้งหรือปล่อ ย, ท, ยอทํำลายอัฐิหรือสิ่งที่เหลืออยู่ใจหลังจากการเผาเขาก็เก็บไว้ในโขดไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นที่ไหว้กราบไหว้ถ่ากคารแ์แล้วในเวลาก็ทําบุญเขามาักจะเป็นพิธีกรรมว่าต้องเอาเชื่อกสายสินมาพ่วงไปกั บ, ก, บกับพระเวลาพระส่วนอุทิศบุญให้ เขาก็จะได้รับบุญที่พระสวดให้กับเขาไปท่านนนเป็นพิธีกรรมไม่จําเป็นจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้การดูแลผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเรามายามเขาไม่สบายเป็นการตอบแทนบุญที่ดีที่สุดแต่ในใจแอบกลัวการจากลาจะต้องทําใจอย่างไรครับต้องคอยเตือนใจอสอนใจหรือ เ, เราต้องพลาดพาจากการเป็นธรรมดา น่าอาจจะไปก่อนเขาก็ได้เราคิดว่าเขาจะไปก่อนเราแต่ดีไม่ดีคนที่ดูแลกลับไปก่อนก็ได้เราอาจจะมีโรกอะไรที่ยังไม่ไไมไม่ม่ปรากฏขึ้นมาแต่กําลังเกาอตัวก็ได้บางคนอยู่ดีดก็เส้นสมองตีบขึ้นมาก็ได้ซเดเส้นเลือดในสมองตกขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ตาม เพรานั้นเรพยายามคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนของร่าการนี้อยู่ในเรื่องทั้งเขาทั้งเราดีกว่าแล้าจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกันนะใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองตั้หาความอยากได้อยากมีกับความอยากที่จะพ้นทุกข์คือความอยากอันเดียวกันไหมครับคนละอันกันความอยากจะพ้นทุกข์นี้เรียกว่าเป็นกุศลหรือเป็นเป็นมรรคเป็นทางที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่ความอยากอีกอย่างนีง่มันจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมามันจะเป็นการดับความทุกข์ในใจกระผมเป็นคนพิการครับกระดูกสันหลังหักมีความทรมานอย่างมากนอนติดเตียงพอฟังหลวงพ่อผมก็เริ่มปฏิบัติธรรมตามหลักความจริงผมนอนภาวนาแต่บางครั้งเผลอหลับบางครั้งเหมือนขาดลมหายใจขอให้หลวงพ่อแนะนําครับก็บพยายามฝึกเสติให้มาก เพื่อที่เราจะได้เวลาภาวนาจะได้ไม่เบ็ดจะได้ง่ายหลับอีกอย่างหนึ่งก็ จ, จะช่วยการไม่ให้ดับก็คือเราลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปการรับประทานอาหารอมันก็จะทําให้เราง่วงนอนดับได้ง่ายกว่าอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมอ่านผิดครับเขาบอกบางครั้งเหมือนขาดลมหายครับ อะไรขาดไม่ช่ไหมันมันลมหายลมหายใจอมันลมหายไปไหมครับอาจารย์บางครั้งเป็นเหมือนขาดการลมหายคือบางครั้งลมมันจะอาจจะรู้สึกว่ามันละเอียดแล้วเราจับลมไม่ได้แต่มันไม่หายเนาะรางการมันอาหายใจอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่หายใจล่าหายใจน้อยหายใจช้าหรือหายใจเร็วทั้งนี้ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงไปถ้าเราดูลมก็ให้รู้ไป ลมหายก็รู้ว่าเราหายแต่ขอให้สติเราอย่าหายก็แล้วกันอย่าให้เราเผลอหลับไปให้เรารู้เฉยๆไปเพราะช่วงนั้นจิตกาลังละเอียดนะ่าจะเข้าสู่ความสงบได้ในขณะนั้นถ้าเราไม่เป็นตื่นเต้นตกใจหรือเผลอสติพอนใจถอนออกมาให้อยู่ที่จุดเดิมอยู่ที่ ด, ดูวมต่อไปเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนครับเรามีกรรมข้อไหนครับ าาการที่ว่ามาก่อนเราไปยึดคนนี้นลุงอะไรคนอื่ ม, อมาก็ไม่ช่เขาทํากรรมอันใดไว้ก็ต้องมงับผลของกรรมนั้นนั่งสมาธิได้สักระยะหนึ่งแล้วเกิดอาการส ป, ปงบแต่เรามีสติรู้แบบนี้สมาธิเรายังอ่อนกําลังใช่ไหมครับสติยังน้อ ย, อยสมาธิยังไม่มีสมาธินี่หมายถึงผลที่ก็ได้จากการเจริญสติสมาธินี่หมายถึงจิตนิ่งสงบ แล้วก็สว่างสวยอตอนนี้สติเรายัางมีน้อยเพราะาอ่อนกำลังมันก็จะหลับไปทําบุญหรือไปวัดจะนึกถึงลูกแล้วส่งบุญให้ลูกลูกจะรับรู้และช่วยลูกให้มีธรรมะได้ไหมครับถ้าลูกยังไม่ตายนี่เราส่งบุญไปให้เขาไม่ได้ถ้าอยากจะให้เขามีธรรมะเราก็ต้องพาเขาไปวัดกับเรา ลูกสะภ้ายรังเกียจกดดันไล่ออกจากบ้านแต่ยังต้องอดทนอยู่สักระยะสงสารลูกควรทําอย่างไรดีครับอาจารย์ก็ทําต่อไปเลยเพื่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันพยายามทำให้ใจเราเงียบให้เราสงบอย่าไปต่อต้านความเป็นจริงเราใจเราจะไม่ทุกข์กิเลสกับมารเหมือนกันไหมครับมันแคเป็นชื่อ คำว่ามาณก็คือสิ่งที่มาคอยขัดขวางการกระทํำของเราเราได้ประมาณกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงครับอาจารย์ตอบล่วงหน้าคําถามนี้ไปแล้วครับแปลความหมายคําว่ากิเลสให้ฟังครับกลับเรียนถามครับการกินมังสวิรัตวันพระได้อานิสงส์บ้างหรือเปล่าครับ ไม่ได้ทางด้านจิตใจไม่ได้ไเลยเลยเพราะไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปช่วงที่พระสวดยาถาสัพีเราควรภาวนาหรืออุทิศบุญอะไรไหมครับคือตามมาเพนีเวลาพระนรสวดยะาถาที่นเราต้องถ้าเรามีน้ำเราก็เทน้ำแล้วก็อุทิศบุญเราเรือกภานในใจว่าขออุทิศบุญวนนี้ให้ให้กับคนนั้นคนนี้พอ พอท่านเริ่มสวดสัพเพนติโยสวดพร้อมกนันนี่เราก็หยุดกดนะครับหยุดอุทิศบุญแล้วก็รับผ่เพราะการสวดหลวาพานี้แบ่งเปง็นสองช่วงช่วงแรกเราเรียกว่ายาถายาถานี่เป็นช่วงให้เรา บ, บอกสอนเราวิธีออุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแ ล, แล้วพอท่านเริ่มสวดสัพเพ น, นี้เป็นช่วงที่ท่านให้พรอนเราก็พนมมือรับพรไปอันนี้เป็นพิธีกรรมนะั่นเอง แต่มจริงแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราเลยการสวยของพระประโยชน์กเกิดจากการทำบุญของเราเท่านั้นยังจะมีพระมาสวยหรือไม่ไม่ไม่จาเป็นจะต้องมีน้ำมาเทกวดหรือไม่ไม่ไม่มีความจาเป็นพอเราได้ทาบุญปั๊บอันนี้สงเกดขึ้นกับใจของเราแล้วการดับอวิชชาคือการละอัตตาหรือไม่ครับ ถ้าถ้าไม่มีอวิชชาอัตตามันก็หมดไปอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงว่าไม่มีตัวตนจิตไม่ใช่ตัวตนจิตเป็นเพียงแต่ท่านรู้เป็นเหมือนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจน้ไม่มีตัวตนท่านรู้ก็ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถที่จะรู้จะคิดได้เท่านั้นเองติดดีเป็นยังไงครับก็ชอบทำความดี มีโอกาสเมื่อไรก็ทำความดีอยู่เรื่อยเรื่อยก็เรียกว่าติดดีกานติดดีก็ไม่ไม่มีททษมีภัยต่อใครท่านพูดที่ติดดีอย่าไปติดยาเสพติดก็แล้วกัน่ะถ้าติดยาเสพติดจะไม่ดีติดแล้วเป็นททษทำให้ใจทุกข์ถ้าติดดีแล้วไม่ทุกข์ที่มีคนพูดกันว่าคนที่ฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าตัวตายไปอีกหลายๆชาติจริงไหมครับถ้าจริงทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ เพราะว่ามันเป็นความจริงเพราะว่ามันเป็นนิสัยไงเวลาเราเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราคิดฆ่าตัวตายเป็นวิธีแก้ปัญหาพอพอเราตายไปพบหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เพราะเจอปัญหาอีกแก้ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายอีกอก็ว่าถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยครั้การอธิษฐานขอเบิกบุญมาใช้ในชาตินี้อย่างนี้มีจริงไหมครับ ไ ม, ม่จริงอ่ะบูมนี่เบิกไม่ได้ถึงเวลามันก็จะส่งผลของมันเองเราควรวางจิตใจอย่างไรต่อพระที่ปลุกเสกของขั ง, งครับก็ก็ก็รู้ว่าเขาเป็นเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นก็เหมือนกับคนขายก๋วยเตี๋วขายขายเราจะรีบเราจะวางใจไงแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงของเขาเขาทําอย่างนี้ก็รู้ว่าเขาทําอย่างนี้ก็แล้วกันไม่เน่าไม่้วางใจอะไร ถ้าเราไม่ต้องการให้เรื่องปลุกเสกแล้วก็ไม่ต้องไปหาภาพที่ปลุกเสกก็ จ, จบมันก็คนที่ไม่ต้องการกินกว๋วยเตี๋ยก็ไม่ต้องไปร้านก๋วยเตีย๋ยนั่นเองฟังธรรมจากพระสงฆ์จบแล้วเราอุทิศบุญได้ไหมครับก็ไม่มีในตํารอยางนั้นไม่รู้จะตอบยังไงถ้าอยากจะอุทิศบุญก็เนี่ยทําบุญทาทานใส่บาตถวายสังฆทานเนี้อุทิศได้ เมื่อเรารู้ว่าตัวของเราเกิดมาไม่มีบุญแล้วเราจะสะสมบุญอย่างไรครับเพื่อให้ตัวของเรานั้นมีบุญบา ร, รมีครับใช้การสร้างทานศีลภาวนาหรือเปล่าครับทุกต้างทาทานรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นบุญสามชนิดที่เราสามารถทำได้ทุกวันทุกเวลาพระอริยเจ้าจะมีลักษณะอย่างไรครับออดูตามร่างกายไม่ได้แล้วเพราะมันเรื่องของจิตใจ จิตใจเป็นนามธรรมา ท, ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเราต้องดูความประพฤติของท่านส่วนหนึ่งก็ดูความประพฤติอีกส่วนหนึ่งก็ดูคําสอนของท่านเวลาที่เราอุทิศบุญจากการถวายสังฆทานเราจะอุทิศให้หลายๆคนได้ไหมครับหรือควรอุทิศเจาะจงเพียงคนเดียวจะเกี่ยวกับการได้บุญมากน้อยของจำนวนที่อุทิศไหมครับ ก็มันก็เหมือนกับให้เงินคนเนี่ยให้คนมูลคนหนึ่งสิบบาทเขาก็ได้สิบบาทแต่ให้สิบคนก็แบ่งไปคนละบาทครอบครัวพี่น้องทำผิดศีลบอกสอนอะไรไม่ได้แบบนี้ต้องปล่อยวางใช่ไหมครับแต่ก็อดห่วงไม่ได้จะต้องทำใจอย่างไรครับก็ถือว่าเป็นมูลเป็นกรรมของเขากันใครทำกรรมอันให่ไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น นี่อาจารย์หมอรุ่งเรืองนะครับมีคนบอกว่าถูกทําของต้องแก้ไขอย่างไรครับไม่ต้องไปเชื่ อ, อไม่มีใครทาอะไรเราได้เราเท่านั้นไปพูดที่กระทำร้ายกับตัวเราเองด้วยการกระทําบาปด้วยการกระทําตามกิเลสตนะัณาถ้าเราไม่ทําบาปไม่ทํากิเลสไม่ทําตามกิเลสตนะัณหาไม่มีใครมาทําอะไรเราได้ เวลานั่งสมาธิจําเป็นต้องละนิวรห้าให้ได้ก่อนแล้วจึงทำอภิปัสษนาต่อใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่การนั่งสมาธิบางเวลาก็อาจจะเกิดนิวรบางบางเวลาก็ไม่เกิดนิวรณคืออุปสรรคที่ขวางการการนั่งสมาธิของเราเช่นเวลาจะมานั่งสมาธิก็นึกถึงเรื่องที่เราโกรธคนนั้นคนนี้อยู่เลยทําให้ใจเราวุ่นวายกับความโกรธไม่สามารถทําสมาธิได้เราก็ต้องมาแก้นิวนรณตัวนี้คือความโกรธ ด้วยการให้อภัยคนที่เราโกรธเขาก่อนเราให้ไปใญหาใจเรลิกเลิ ก, เลกลากันนะไม่มีปัญหาต่อกันยอมอย่างนี้พอเราให้อภัยเขาได้แล้วใจเราก็จะไม่ไม่มีความโกรธมาเป็นอุปสรรคในการนั่งทาสมาธิขอากาสครับถือศีลแปดอยู่บ้านมีห้องนอนห้องเดียวแฟนนอน เตียงระแต่เรานอนพื้นแบบนี้ผิดไหมครับถ้าไม่ร่วมเพศกันก็ไม่ผิดนะมันอยู่ใกล้นะลกันเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมามันจะข้ามได้ยากกว่าถ้าเรายากท้องกันนอนภาวนาคือสวดมนนั่งสมาธิใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเพาว่าภาวนานี้คือพุดเป็นการพัฒนาจิตใจให้สงบนะให้ฉลาดการ การภาวนาให้สงบเ ร, า, า, า, า, า, ร า, าเรียกว่าสมะถะภาวนาคือการเจริญสตินั่งสมาธิเรียกว่าสมถะภาวนาการทำให้จิตใจสงบส่วนการทำจิตใจให้ฉลาดให้มีปัญญาเรียกว่ามิปัสนาภาวนาคือการศึกษาอริยสัจสีศึกษาไตานะ่ระ เดี๋ยวนี้มีเกมบนแพลตฟอร์มที่ซื้อสินค้าที่เล่นแล้วจะได้เงินมาใช้เป็นส่วนลดเวลาซื้อของเราก็อยากได้แบบนี้ถือว่าเราบาปอยากได้เงินของคนอื่นหรือไม่ครับมันกมน็มันไม่ได้มันมันเป็นสิ่งที่มันเหือนกับการซื้อขายของต่างหากเขาเขาเข า, เขาให้เราไปเล่นเกมก็เหมือนกับเราไปไปซื้อของจากเขานั่นเอง แล้วเราได้รางวัลมาแล้วได้กําไรมาก็เป็นเป็นการเหมือนกับเป็นการซื้อของมามีกําไรมีขาดทุนมันซื้อหุ้นอย่าเงี้ยซื้อหุ้นบางทีก็กําไรบางทีก็ขาดทุนมันมันไม่ได้เป็นบาตแต่อย่างใดถ้าเราอยากยกบุญให้ผู้ใดเราอธิษฐานจิตแล้วบอกว่าเราขอยกบุญให้เราให้เขาเขาจะได้บุญนั้นไหมครับมันก็ต้องมีบุญก่อน อยู่ในนีไปยกบุญให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้และบุญที่เราเพ่งแต่แบ่งให้กับผู้ที่ลงนับไปแล้วเท่านั้นเองส่วนคนที่มีชีวิตอยู่นี้เราแบ่งบุญให้เขาไม่ได้บุมนแต่ละคนต้องทํากันเองถ้าได้พระเจ้ากาย็ยกนิพพานให้พวกเราทั้งหมดแล้วสิขอยกนิพพานให้กับผู้ที่มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาทุกคนเธอขอให้ได้ไปถึงนิพพานเธอก็ไปกันหมดแล้วสิ หากมีสตินั่งสมาธิแล้วเห็นการเกิดความคิดผุดแล้วการพิจารณาต่อไปให้พิจารณาไปในทุกขังอนิจจงอนัตตาในทุกๆเรื่องหรือให้พิจารณาในร่างกายเราก่อนหรือพิจารณาความไม่เที่ยงของอารมณ์ครับคือเรามีความยึดติดในความอยากอ ย, อยู่กับร่างกายเรากับเวทนากับอารมณ์เราต้องหยุดความอยากเหล่ า, านี้ให้ได้ด้วยการ ขั้นต้นก็ให้เราหยุดความอยากเกี่ยวกับร่างกายอยากไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นเพราะเราห้ามความแก่ clip, ความเจ็บความตายไม่ได้ถ้าเราไปอยากแล้วมันจะทําให้เราทุกข์อยเราต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วเราค่อย ป, ป, ปล่อยวางเวทนาเวทนาเราก็จะอยากให้มีแตสุขเวทนาแต่เวทนามันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุ ก, ทกข์สลับกันไป ถ้าเราไปอยากให้มีความสุขอย่างเดียวใจเราก็จะทุกข์เวลาที่มันไม่สุขแต่ถ้าเรายอมปล่อยให้มันไม่มีความอยากให้มันสุขอย่างเดียวยอมให้มันสุขยอมให้มันทุกข์ยอมให้มันไม่สุขไม่ทุกๆๆข์ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาอารมณ์ก็เหมือนกันเราอยากจะให้เรามีิต่อารมณ์ดีเบิกสดชื่นเบิกบานผ่องใสแต่อารมณ์เราก็แปดป่วนบางทีก็ผ่องใสบางทีก็เศร้าหมองเป็นต้น เราก็ต้องอยากไปอยากให้มันมีแต่ความผ่องใสเราก็ต้อยอมรับว่าบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนาจากความผ่องใสมาเป็นความเศร้าหมองได้ น, นี่คือเป็นการเป็นการพิจารณาอนิจจ์ในเรื่องของร่างกายในเวทนาเรื่อน่อารมณ์ของจิตให้รู้ว่าเขาเขามีการแปลปรนเปลี่ยนแปลงร่างกายก็มีการแปลปรนเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลาไม่ช้าก็เร็วแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนาก็ไม่มีแตสุขก็เวทนายอย่างเดียวมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปสลับกันมาอารมณ์ก็ไม่ใช่มีแต่ความสดชื่นเบดกบานเพียง อ, อย่างเดียวก็มีอารมณ์อย่างอื่นแปรปูวนไ ป, ไ ป, ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็เป็นอนัตตา อันนี้จารย์เขาเปลี่ยนไปเป็นถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราถ้าเราไม่มีความอยากเรายามรับความเป็นจริงของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาพระอาจารย์ครับอย่างนี้ในพระอรหันต์เนี่ยยังมีอารมณ์แบบเขาไม่มีอารมณ์ขุนมัวเศร้าหมองแล้วใช่ไหมครับครับ แ, แต่ว่าท่านอาจจะไปสัมผัสก<อ>ับเรื่องราวต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ได้ แต่เพ็นงแต่ถ้าไม่ไปทุกข์กับมันการทำงานออฟฟิศสามารถจะภาวนาได้ไหมครับก็ต้องเวลาที่ไม่ทำงานเนี่ยมภาวนาตอนที่เราทำงานไปหน้าสานะที่ตอนที่เราทำงานเดี๋ยวเราเจ้านายว่า ทำอุเบกขาได้มากเท่าไหร่ถึงจะสามารถลดระดับความรักความชังความกลัวความหลงได้ในะระดับที่พอใจไม่เดือดร้อนเลยหรือเมื่อเราทำถึงแล้วเราจะรู้เองเจ้าคะต้องรู้เองอุเบกขามันก็มีหลายระดับรักชังโกหลงนี่ไหมมีมากมีน้อยขึ้นกับการฝึกสตินํ่สมาธิของเราถ้าฝึกสติมากนั่งสมาธิมากมันก็จะมีมาก การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ถ้าจะอุทิศบุญให้ตัวเองคนเดียวได้หรือไม่ครับไม่ต้องอุทิศเราได้ทันที้วไม่อุทิศอะไรหากินข้าวอิ่มแล้วเราจะไปไปอุทิศเออไปเอาความอิ่มมาจากที่ไหนมันก็อิ่มจะเกิด จ, จากการกินของเราเองถ้ายามเวลาว่างผมท่องพุโทโธเล่นแบบนี้เป็นการเจริญสติไหมครับจเจริญ ถ้าเราพูดทัวก็แสดงว่าเราโดนเจริญสติต้องต้องพูดทัวรจริงๆนะไม่ใช่พูดทัวร์แบบลอยๆพูดทัวรไปแล้วไปคิดนั่นนั้นอั่นเองแสดงว่ายังไม่ได้สติเราพูดทัวอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นเลยถึงจะได้สติทําดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีสักทีเป็นเพราะอะไรแล้วจะต้องแก้อย่างไรครับว่ายังไม่ถึงเวลาของความดีจะส่งผลใจเย็นๆทำไเรื่อยังไ มันปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลกวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะอาอกดอกออกผันทีไม่้แต่ดอกเบี้ฝากวันนี้ยังต้องรอปีหน้ามืนกันครับถ้าแม่ให้เงินลูกไปทําบุญลูกได้บุญไหมครับขึ้นอยู่ว่าแม่ให้ลูกไปทําบุญแบบไหนถ้าแม่ให้เงินลูกไปแล้วไม่ได้บอกอะไรให้ลูกไปใช้ตามอธัธยาศัยแล้วลูกเอาไปทําบุญลูกก็จะได้บุญ ถ้าบอกลูกเอาเงินนี้ไปทําบุญนี่ลูกไมได้บุญเพราะเราใช้ลูกไปทําบุญแทนเราเราสั่งเขาเราได้บุญแต่ลูกไม่ได้บุญแต่ถ้าเราอยากจะให้เราได้บุญและลูกได้บุญเราก็ให้เงินลูกไปเราไม่ต้องบอกเขาว่าให้ไปทําอะไรแล้วแต่เขาเราก็ได้บุญนั่นจากการให้เงินกับลูกเราแล้วถ้าลูกเขาเราเป็นคนชอบทําบุญเขาอยากเงินนี้ไปทําบุญเขาก็จะได้บุญมันต้องเกิดจากการ เป็นเงินของเขาน่าเป็นความคิดของเขาถ้าเป็นการการะทํำของเขามีนังจะเกิด Le t. เราทําบุญแล้วอุทิศบุญหลายๆครั้งในวันนั้นบุญหมดไหมครับมันกันได้เท่ากันน่ะใจกีดครั้งเิดตามันก็ได้เท่าที่เราอุทิศได้เท่านั้นถ้าอุทิศได้ห้าบาทมันก็จะอุทิศกี่ครั้งมันก็ได้แค่ห้าบาท <c oughs> เวลาป่วยคนกำลังจะตายไม่ยึดความคิดความคิดไม่ใช่เราใช้หลักธรรมพิจารณาไปเรื่อยๆหรือต้องทำใจให้สงบครับต้องคิดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ความคิดไม่ใช่เราอร่างกายไม่ใช่เรามันจะตายเราห้ามมันไม่ได้ต้องยอมให้มันตายแล้วใจเราก็จะสงบ การเจริญสติในชีวิตประจําวันกับการทําวิปัสสนาระหว่างวันคืออันเดียวกันไหมครับคนอแรกอย่างกันการเจริญสตินี่คืเป็นการควบคุมความคิดแป้คิดเบื่อตัวการเจริญวิปัสสนาที่เป็นการพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นการสอนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ การสวดมนต์สามารถให้ผลในการสร้างสติได้เสมอเหมือนการเดินจงกรมหรือไม่ครับก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งถ้าเราสวดโดยที่ไม่ใจไม่ลอยไปที่อื่นถ้าใจเราอยู่กับการสวดมนต์นะเราก็กำลังเจริญธรรมานุสติใช้ธรรมะคาสอนพระเจ้าที่เป็นบทสวดมนต์นี้เป็นตัวเจริญสติผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปคิดเรื่องนี้ วันที่ยังไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้สวดมวนต์จะรู้สึกไม่สบายใจแบบนี้เรากังวลเกินไปไหมครับไม่หรอกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำพอเราไม่ทำแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกรักขาดอะไรไปการแผ่เมตตกับอุทิศบุญกุศลต่างกันอย่างไรครับอุทิศบุญนี่คือเราต้องทำบุญก่อนเราต้องมีบุญ เราถึงจะสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ที่ลงลับไปแล้วได้ส่วนการแผ่เมตตานี้เราสามารถทําได้โดยที่ไม่มีบุญก็ได้เช่นเราพบปะใครเรามีขนมเราก็เอาขนมไปแจกให้คน น, นนู้นคนนี้เราก็เราก็เรียาเรากําลังแผ่เมตตาทําให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งเราก็สามารถที่แผ่เมตตาด้วยการอุทิศการองทิศบุญนีก็เป็นวิธีจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาก็ได้ เพเราให้ความสุขกู้อด้วยกัให้ความสุขกับผู้ที่ร้องรับไปแล้วด้วยการส่งบุญให้กับเขาเพราะเขารับอย่างอื่นไม่ได้เขารับเงินรับทองไม่ได้สิ่งที่เขารับได้ก็คือบุญแต่ถ้าคนที่มีชีวิตอยู่เขาไม่รับบุญเขาจะรับเงินรับทองเราก็ให้เงินให้ทองเขาเราก็เรียกว่าเราก็แผ่เมตตากัน ถ้าเราทำอะไรในกิจวัตรประจำวันแล้วบางครั้งเผลอภาวนารู้หนอรู้หนอหรือเบื่อหนอเบื่อหนอขึ้นมาเองอย่างนี้คืออะไรครับคือไม่มีสติเลยไ ห, ห้มันนึกคิดตามเรื่องของมันไม่ควบคุมใจการทำสมาธิต้องปฏิบัติในห้องพระที่มีพระครูปเท่านั้นหรือเปล่าครับไม่รครควรจะปฏิบัติที่มันสงบไม่มีอะไรมารบกวนที่ไหนก็ได้ ในห้องพักก็ได้ในห้องนอนก็ได้ในห้องน้ำก็ได้บุญกับกุศลต่างกันไหมครับอย่างไรครับถ้าแปลตามโดยคำว่ า, าบุญคือความสุขใจหิ่มใจกุศลแปลว่าความชลา เวลาโยมทำสมาธิเวลาจิตใกล้จะนิ่งเหมือนมีมดมากัดหรือมีตัวอะไรเล็กๆมาไตา่ทนไม่ไหวต้องเอามือมาปัดเป็นเพราะอะไรครับเป็นความคิดปรุงแต่งของเราเองอ ย, อย่าไปสนใจกลับมาทำสมาธิต่อถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอะไรจะมาปรากฏให้เรารับลุกไม่ต้องไปสนใจ จริงหรือไม่ครับที่ว่าควรทําบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตเมื่อครบเจ็ดวันหรือร้อยวันแล้วครับทําได้ทุกวัน <c oughs> ย่าตายไปแล้วหลายปีแล้วเราอุทิศบุญให้เขายังจะอยู่รับบุญอุทิศไหมครับก็แล้วแต่เขาว่าเขารอรับหรือเปล่าบางที่เขาไปเกิดแล้วก็ได้ไมีเข้าไปเป็นเทวดา ถ้าเขาเป็นทเทวดาเขาก็ไม่มารับบุญถ้าเ็าไปต่อรองเขากออกมารับบุญไม่ได้เขาต้องเป็นเปรตอย่างเดียวนะต้องเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเรียกว่าเปรตนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมความฟุ้งซ่านต้องทำอย่างไรครับถ้ดงว่าเนี่นั่งแบบไม่มีสติเดินแบบไม่มีสติต้องให้มีสติอยู่กับการนั่งและการเดินนัางบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปตลอดเวลา จาปล่อยให้ใจคิดเอาพุ่งสร้างกิจา ก, การเราปล่อยให้ใจคิดขึ้นมาเองเราต้องเห็ความคิดด้วยการเจันทรบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเราจะเดินนึกจะนั่นสามีไม่ชอบฟังธรรมแต่ฟังตลกแต่เขามีความสุขอย่างนี้ได้บุญไหมครับมันเป็นความสุขปลอ ม, มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนทาวร น, นไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้ นะครับสุดที่เกิดจากการทำธรรมนี่สามารถจะ เ, เอาไปกลับใจได้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วย่าตายไปแล้วหลายปีแล้วเราอ่ันนี้มันถามไปแล้วครับถ้าพูดว่าจะไปปล่อยปลาแล้วยังไม่ได้ไปปล่อยเลยไปหลายวันแล้วอย่างนี้ผิดคําพูดไหมครับ ก็คุณก็รอยู่แก่ใจผิดหรืไม่ผิดคุณพูดแลาไม่ทํามันก็ผิดอยู่แล้วตอนนั่งสมาธิถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นหันหน้าไปทางไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับทิศทางแต่อย่างใดแต่ว่าธรรมเนียมบางทีท่านานิยมหันหน้าไปทางทิศที่พระเจ้าประทับอยู่ถ้าเราอยู่ทางประเทศไทยเราก็นหันหน้าไปทางประเทศบินเดีย าเราอยากจะหันหน้าไปหาพราะพุเจ้าอันนี้เป็นเพียงแต่เรื่องของของความคิดของคนนาแต่ไม่มีคนต่อการปฏิบัติสมาธิแต่อย่างใดฟังธรรมและฟังบทสวดมนต์ในห้องน้ำผิดไหมครับไม่ผิดหรอกทำได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกกาลเทศะในสายตาของผู้อื่นด้เพราะว่าเขาจะมีมีมีฟอร์ม ฟังธรรมนั่งอยู่ในห้องพระอะไรนี่เป็นต้นผู้ตา่างธรมเป็นจริงนั้นตัเชิงปฏิบัตินี้เราสามารถทําธรรได้ตลอดเวลาในทุกที่ธรรมนี้อาจจะไม่ใช่เป็นธรรมที่เราเอาได้ยินจากผู้อื่นอาจจะเป็นธรรมที่เราจะเิยขึ้นมาในใจของเราเห็นพิจารณาสุภาษพิจารณาที่จางนี่เราก็แสดงว่าเรากำลังฟังธรรมอยู่ะ ปกติทําบุญทุกครั้งจะอุทิศบุญให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพื่อนเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณทุกดวงที่ต้องการบุญแต่ฝันว่ามีคนมาบอกว่าให้อุทิศให้ญาติอย่างเดียวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะอุทิศให้ทุกท่านที่กล่าวอีกประมาณสามสี่วันฝันถึงยายที่ตายไปแล้วนั่งรถเข็นไม่สบายนั่นคือเราอุทิศให้ญาติเราก่อนเพราะญาติเรายังเดือดร้อนแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับเป็นเสร็จของเราจะอุทิศท่งขายนก็ได้ มีพระเคยบอกว่าเวลาเราแผ่ส่วนบุญกุศลให้พ่อแม่ถ้าเขาไม่ใช่เปรตที่กำลังจะได้มาเกิดเขาจะไม่ได้รับเพราะเปรตที่กำลังจะได้มาเกิดเท่านั้นที่จะได้รับบุญที่เราแผ่ให้ถ้าเป็นจริงพ่อแม่เราจะได้รับบุญได้อย่างไรครับถ้าเขาไม่เป็นเปรตเขาก็ไม่ต้องอาศัยบุญของเราเท่านั้นเองเพาะนั้นเขาก็มีบุญที่เขาสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ ถ้าไม่ได้อยู่แล้วถามพระอาจารย์ถ้าไม่ได้อยู่แล้วอยากจะทำบุญจะทำโดยนั่งสมาธิและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำเพียงแค่นั้นพอไหมครับคือถ้าทำบุญเพื่อตัวเราเองนะนั่งสมาธิก็ได้บุญแต่ถ้าต้องอุทิศบุญนี้ไม่แน่ใจว่าทำได้หรือไม่เพราะไม่มีแสดงไว้ในตำรา ผาตัดมาครับนั่งไม่ไหวนอนทําสมาธิได้ไหมครับถ้าไม่หลับก็ได้แหลถ้านนอนแล้วหลับมันก็ไม่ได้สมาธิถ้าระบวุในขมมะสามวันสงบบ้างไม่สงบบ้างสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็ได้บ้างถ้ามันสงบก็ก็ถือว่าเป็นบุญถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็น การปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ทำอย่างไรครับก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเจริญสติก่อนฝึกสติทั้งวันทั้งคืนในวันวันอยากปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆจะ ใ, ใช้คำอะไรก็พุทธโธพุทธโธก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกปีริยาบทก็ได้เมื่อเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องและขั้นต่อไปก็นั่งสมาธินั่งหลับตานั่งสมาธิยูลมหายใจเข้าออก เรากาเราจะได้สมาธิได้อุเบกขาเมื่อเราได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็มาพิจารณาร่างกายว่าเป็นไตายรักพิจารณาเวทนาว่าเป็นไตรยรักพิจารณาว่าจิตเป็นไตายรักเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางมันไม่ไปยึดไปติดแค่มันเราก็จะไม่ทุกข์คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับ การทำบุญทำวันธรรมดากับทำวันสำคัญทางาศาสนาได้บุญต่างกันไหมครับหรือว่าเหมือนกันครับไม่ต่างเหมือนกันทำได้ทุกวันเท่ากันขอ ก, กรสกาศอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ602คนในยู6 4 0ในรับ11ในติ๊กต็อก468นะครับ วันนี้รวมเพื่อนๆ่ฟังธรรมด้วยกัน 1,721 คนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาฟังธรรมครันหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยการสนทนาธรรมตลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอสาธุ ก็ขอลาท่านผู้ชมคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดณข้องกันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในทางหน้าคราวนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะเรื่อมลืมถามครั้งนี้สองร้อยเจ็ดครับอาจารย์ครั้งหน้าคงสี่ครับราารอาจารย์ครับ้งหน้าเป็นรบรอบสี่ปีนะครับอาจารย์สาธุเจริญพรครับกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับ